วิธีปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระธรรมสิงหบุราจาร์วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีประวัติความเป็นมาพระธรรมสิงหบุราจาร์ในวงเล็บจรันทิตธรรมโมมีนามเดิมว่า จรันจัญยรักเกิดที่ตำบลม่วงหมู่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2471ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนา เมื่อวันที่15ก ร, รกฎาคมพุทธศักราช2491ณวัดพรหมบุรีอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีตำแหน่งและสมณศักดิ์ที่ได้รับมีดังนี้ 1. รักษาการเจ้าอาวาสวัดอำมภวันตำบลพรหมอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อปีพุทธศักราช2500 2. ได้รับสมณศักดิ์ที่พระครูปหลัดจรันติตธรรมโมฐานานุกรมของท่านเจ้าคุณสุนทรธรรมประพุทธเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดในวงเล็บแต่มาประจำอยู่สำนักวัดอำมภวันเมื่อวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2501 3. ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ระครูภาวนาวิสุทธ์เจ้าอาวาสวัดอำพวันเมื่อวันที่ห้าธันวาคมพุทธศักราชสอง1ันห้า้อสิบเอ็ดได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอปรมบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2518 5. ห้า้อสิบปดหได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระภาวนาวิสุทธิคุณ เมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2531 6. ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่พระสุทิยานมงคลเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2535 7. ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่พระเทพสิงหบุราจาร เมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2544 8ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่พระธรรมสิงหบุราจาร์เมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2547ประสบการณ์ด้านธรรมปฏิบัติพระคุณท่านมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติมาก ทั้งทางสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานดังที่ท่านได้กล่าวกับพระภิกษุวัดอัมภวันในคราวสอนวิธีสอบอารมณ์ว่าผมเจริญกรรมฐานมาสามสิบห้าปีเจริญอานาปานสติยี่สิบปีเศษเจริญมโนมยิทธิมาสิบปีเศษเพ่งกสินได้ธรรมกายได้ดังนี้เป็นต้นมันต้องทําได้ถ้าไม่ได้จะสอนเขาอย่างไร พระคุณท่านได้ทุดงไปตามที่ต่างๆเพื่อแสวงหาความรู้และประสบการณ์ด้านธรรมะปฏิบัติได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์เรียนวิชากับพระอาจารย์หลายท่านอาทิเรียนวิชากรรมฐานกับพระคระูนิวาสธรรมขันในวงเร็บหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอเภอตะครีจัังหวดนครสวรรค์กับหลวงพ่อลีวัดอโศการามจัังหวดสมุทรปราการ และกับท่านเจ้าคุณอริยะคุณาทรจังหวัดขอนแก่นเรียนสมถากรรมาฐานกับพระภาวนาโกศลเถเนในวงเล็บสดจันทสโรที่วัดปากน้ำอำเภอภาษีเจริญจังหวัดธนบุรีเรียนและปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานกับเจ้าคุณอาจารย์พระราสิทธิมุนีในวงเล็บโชโดกยานสิทธิวัดมหาธาตุจังหวัดพระนคร และในปีพุทธศักราช2498ได้เรียนพระอภิธรรมกับอาจารย์เตชินชาวพมา่าที่วัดระาังโคสิตารามจังหวัดทนบุรีเรียนสติปัฏฐานสีจากหลวงพ่อในป่าเมื่ออายุ45ปีพระคุณท่านได้ทุดดงไปในป่าดงพระยาเยน็นเพื่อเรียนวิชากับหลวงพ่อในป่า ดงพระยาเย็นเป็นป่าดงดิบอยู่ในอาณาบริเวณเขาใหญ่ซึ่งกินเนื้อที่4จังหวัดคือสระบุรีปราจีนบุรีนครนายกและนครราชสีมาตอนบวชใหม่ๆพระคุณท่านเคยพบหลวงพ่อองค์นี้มาครั้งหนึ่งแล้วที่จังหวัดขอนแก่นได้ได้ขอเรียนวิชาจากท่านหลวงพ่อในป่า ย, ยังไม่สอนวิชาบอกว่าอายุ45ค่อยมาเรียน ไม่มีผู้ใดทราบว่าหลวงพ่อองค์นี้ท่านเป็นใครชื่อเรียงเสียงใดเนื่องจากท่านไม่ยอมเปิดเผยตัวเองแม้พระคุณท่านเองก็ไม่ทราบหลวงพ่อในป่า พ, พูดกับท่านว่าวิชาความรู้ที่พระคุณท่านเรียนมาก่อนหน้านี้เป็นต้นว่ามาโนมยิทธิก็เป็นของดีแต่ว่ามันดับทุกข์ไม่ได้ไม่ช่วยให้เข้าถึงความดับทุกข์ แล้วท่านจึงสอนวิธีเจริญสติปัฏฐานสี่ให้พระคุณท่านซึ่งเรียนและปฏิบัติอยู่กับท่านตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีห้ารายละเอียดที่หลวงพ่อในป่าสอนซึ่งพระคุณท่านได้เล่าไว้สรุปใจความได้ดังนี้ลำดับแรกท่านให้ยืนอยู่กับที่เอามือไพล่หลังมือขวาจับมือซ้ายน้ำหนักมือทั้งสองจะถ่วงที่กระเบนเน็บให้ยืนอย่างนี้หนึ่งชั่วโมง แล้วจึงสอนให้พิจารณาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสาซึ่งก็คือประจับปัญจกะก ร, รมฐานแบบอนุโลมและแบบปฏิโลมนั่นเองให้สำรวมจิตตั้งสติตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นไปถึงปลายผมในวงเล็บ ตรงกับข้อความในพระสูตรซึ่งปรากฏในพระใยปีดกเล่มที่สิบหน้าสองร้อยสิบแปดว่าตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังเป็นที่สุดรอบพระคุณท่านยืนอยู่ได้สี่สิบนาทีก็ขาสัน่นเพราะไม่เคยยืนนานๆหลวงพ่อในป่าท่านก็ให้พิจารณายืนมีสติโดยตั้งสติสำรวจจากศรีรษะลงไปปลายเท้านับหนึ่ง จากปลายเท้าขึ้นไปบนศรีรษะนับสองจากศรีรษะลงมาปลายเท้านับสามจากปลายเท้าขึ้นไปศรีรษะนับสี่และจากศรีรษะลงมาปลายเท้านับห้าเมื่อท่านยืนครบหนึ่งชั่วโมงจึงเข้าใจว่ายืนมีสติเป็นอย่างไรและเข้าใจกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอันเป็นสติปัฏฐานข้อที่หนึ่งในสีข้อ อันดับที่สองท่านให้เดินมีสติเยื้องเท้าก้าว เ, เท้ามีสติครบแล้วให้เอาสมาธิที่พระคุณท่านเคยได้ในสมัยที่เจริญสมฉะกรรมฐานนั้นมาเป็นบารฐานขึ้นสู่วิปัสนาพิจารณารูปนามขันห้ากำหนดรู้อารมณ์ของจิตรู้อายตนะครบตามหลักการของการเจริญสติปัฏฐานสีทุกประการ ถ้คุณท่านเรียนสติปฐานสี่อยู่กับหลวงพ่อในป่าเป็นเวลาสองเดือนเต็มจนเกิดความรู้ความเข้าใจแจ่ม แ, แจ้งด้วยตนเองแล้วจึงได้ตรรกะว่าที่พระพุทธองค์ตรัสสรงเสริญสติปฐานสี่ว่าเป็นทางสายเอกเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นความจริงทุกประการและด้วยจิตที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาปรารถนาจะช่วยดับร้อนผ่อทุกข์ให้กับเพื่อนมนุษย์ พระคุณท่านจึงได้ทำให้วัดอัมพวันกลายเป็นสำนักปฏิบัติธรรมนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาด้วยเหตุนี้กิิศัพท์ของพระคุณท่านจึงขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศวัดอัมพวันได้กลายเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันแนวทางในการสอนสติ ป, ปัฏฐานสี่ พระคุณท่านมีความสามารถเป็นเยี่ยมในด้านการสอนกล่าวคือมีกลวิธีในการอธิบายสิ่งที่เข้าใจยากให้กลายเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยวิธีการสอนของพระคุณท่านแบ่งออกเป็นสีขั้นตอนกว้างๆตามแนวสติปฐานสี่ดังนี้หนึ่งการกำหนดกายในวงเล็บ กายานุปัสนาสติปัฏฐานสองการกำหนดเวทนาในวงเล็บเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานสามการกำหนดจิตในวงเล็บจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานและสี่การกำหนดธรรมในวงเล็บธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานขั้นตอนทั้งสี่มีวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้หนึ่งการกำหนดกาย คือการกำหนดอิริยาบถสี่ได้แก่ยืนเดินนั่งนอนดังนี้ 1.1 การยืนวิธีปฏิบัติให้ยืนตรงยกมือไขว้หลังมือขวาจับมือซ้ายวางไว้ตรงกระเบนเน็บหน้าตรงหลับตาสติจับอยู่ที่ศีรษะกำหนดว่ายืนน้องห้าครั้ง แต่ละครั้งแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกคำว่ายืนืนให้จิตจับอยู่ที่ศีรษะแล้วเลื่อนลงมาหยุดที่สะดือตอนคำว่านอให้กำหนดจิตจากสะดือลงไปปลายเท้าแล้วกำหนดจากปลายเท้าขึ้นมาที่สะดือจากสะดือขึ้นไปบนศีรษะกลับไปกลับมา จนครบห้าครั้งขณะนั้นให้สติอยู่ในกายอย่าให้ออกไปนอกกายเสร็จแล้วลืมตาทอดสายตาไปข้างหน้าประมาณหนึ่งวาสติจับอยู่ที่เท้าเตรียมพร้อมที่จะเดินหนึ่งจสองการเดินจงกรมเมื่อกำหนดยืนนอห้าครั้งแล้ว จึงตั้งต้นเดินจงกรมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเดินสมาธิการเดินจงกรมมีหกระยะคือระยะที่หนึ่งกำหนดว่าขวาแยงนองซ้าย ย่างนองโดยปฏิบัติดังนี้ยกส้นเท้าขวาขึ้นให้สูงจากพื้นประมาณสองนิ้วพร้อมกับกำหนดว่าขวาเลื่อนเท้าไปข้างหน้าประมาณหนึ่งคืบเป็นอย่างมากพร้อมกับกำหนดว่า ย่างพอกำหนดว่าหนอให้ค่อยๆวางเท้าลงให้ลงให้ถึงพื้นโดยปลายเท้าและส้นเท้าวางพร้อมกันสติระลึกรู้พร้อมกับเท้าที่ลงสัมผัสพื้นจากนั้นสำรวมจิตไว้ที่เท้าซ้ายแล้วกำหนดว่าซ้าย ย่างนอสลับกันเช่นนี้เรื่อยไปยเมื่อเดินสุดทางแล้วกำหนดยืนนอห้าครั้งดังที่ได้อธิบายมาแล้วจากนั้นกำหนดกลับโดยกำหนด กราบนอแปดครั้งเมื่อกำหนดครั้งที่หนึ่งให้ยกปลายเท้าขวาส้นเท้าติดพื้นหมุนส้นเท้าไปทางขวา45องศาพร้อมกับกำหนดว่ากราบแล้ววางปลายเท้าลงกับพื้นพร้อมกับกำหนดว่า นอ <No. S 2> ครั้งที่สองเคลื่อนเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาพร้อมกับกําหนดคําว่ากราบแล้วค่อยๆวางเท้าซ้ายลงพร้อมกับกําหนดว่านอ <No. S 2> ครั้งที่สามครั้งที่ห้าและครั้งที่เจ็ดทาเหมือนครั้งที่หนึ่ง และครั้งที่สี่ครั้งที่หกครั้งที่แปดทำเหมือนครั้งที่สองก็จะได้ร้อยแปดสิบองศาซึ่งอยู่ในท่ากลับหันหลังพอดีจากนั้นหลับตากำหนดยืนนงังห้าครั้งแล้วจึงเดินต่อไปจนหมดเวลาที่กำหนด ระยะที่สองกำหนดว่ายกนองเยียบนองวิธีปฏิบัติคือค่อยๆยกเท้าขวาขึ้นให้สูงจากพื้นประมาณสามนิ้วขณะยกกำหนดว่า ยกเมื่อยกแล้วจึงกำหนดว่านองแล้วเลื่อนเท้าไปข้างหน้าช้าๆห่างจากเท้าซ้ายไม่เกินหนึ่งคืบค่อยๆวางเท้าลงขณะที่เท้าเหยียบพื้นกำหนดว่าเหยียบเมื่อเหยียบเรียบร้อยแล้วจึงกำหนดว่า นอเท้าซ้ายก็ทำแบบเดียวกันเมื่อสุดทางกำหนดยืนนอห้าครั้งและกลบับน อ, นอแปดครั้งปฏิบัติดังที่กล่าวมาข้างต้น ระยะที่สามกำหนดว่ายกนอนย่าง น, น้อยยบนอนขณะกำหนดยก เท้าขวายกสูงจากพื้นประมาณสามนิ้วยกเรียบร้อยแล้วจึงกำหนดว่านอขณะกำหนดย่างให้เลื่อนเท้าขวาออกไปข้างหน้าห่างจากเท้าซ้ายหนึ่งขือเป็นอย่างมากแล้วกาหนดว่านอขณะกำหนดว่า เยียบให้เหยียบลงพื้นแล้วจึงกำหนดนอเท้าซ้ายปฏิบัติแบบเดียวกันระยะที่สี่กำหนดว่ายกโซนนอโยก น อ, อย่างนอเียบนอขณะกําหนดยกส้นให้ยกส้นเท้าขึ้นให้พร้อมและพอดีกับที่กําหนด เมื่อยกส้นขึ้นเรียบร้อยแล้วจึงกำหนดนอส่วนยกน อ, ย, นอย่างนอหยยบนอให้ปฏิบัติเหมือนระยะที่สามระยะที่ห้ากำหนดว่า ยยกโซนนอยกนอยางนอน ปฏิบัติเช่นเดียวกับระยะที่สี่แต่เพิ่มลงหนอขณะกำหนดลงหนอให้ลดเท้าลงมาสองนิ้วเท้าก็จะสูงจากพื้นหนึ่งนิ้วเมื่อกำหนดถูกหนอปฏิบัติเช่นเดียวกับที่กำหนดว่าหยยบ นในระยะที่สี่ระยะที่หกกำหนดว่ายกซนเนายนเนย่างเน ปฏิบัติเหมือนระยะที่ห้าแต่เพิ่มกดเนขณะกาหนดถูกใช้ปลายเท้าแตะพื้นเบาๆส้นเท้ายังไม่ถูกพื้นเมื่อปลายเท้าถูกพื้นแล้วจึงลงคำว่าเนขณะกาหนดว่ากดใช้ส้นเท้ากดพื้นเบาๆเมื่อกดเรียบร้อยแล้วจึงลงคำว่า น้ <No. S 2> ในการเดินจงกรมนั้นให้กำหนดรู้เฉพาะอิริยาบถเดินแต่อย่างเดียวการเคลื่อนไหวส่วนอื่นของร่างกายจึงไม่ควรมีการเดินให้เดินช้าๆเพื่อกำหนดได้ทันเมื่อเดินจนสุดระยะทางที่กำหนดให้หยุดแล้วจึงกำหนดยืนน้ no. ค ร, ครั้งและกำหนดกราบนอแปดครั้งอานิสงในการเดินจงกรมมีดังนี้หนึ่งอดทนต่อการเดินทางไกลสองอดทนต่อความเพียรส ม, มีอาพาธน้อยสี่ อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มรสแล้วย่อมย่อยไปด้วยดี 5. สมาธิที่ได้ในขณะจงกรมย่อมตั้งอยู่นาน 1.3 การนั่งสมาธิเมื่อเดินจงกรมได้ประมาณ30นาทีหรือได้เวลาที่ตั้งไว้แล้วให้หยุดเดินกำหนดยืนนอ ครั้งแล้วจึงกาหนดในการนั่งให้มีสติติด ต, ต่อกันการนั่งให้กาหนดการย่อตัวลงไปเป็นระยะช้าๆเพื่อให้กาหนดได้ทันขณะย่อตัวลงให้กำหนดคำว่าลงขณะหยุดพึงกาหนดให้พร้อมกับคำว่าเนาะกำหนดลงนลง นอเป็นระยะเลื่อยไปกระทั่งก้นกระทบพื้นจึงกำหนดคำว่าถูกนอให้พร้อมกับก้นถูกพื้นแล้วกำหนดที่ขาว่าลงนอลงนอ จนกระทั่งขาถูกพื้นจึงกําหนดถูกถูกนอทำเช่นนี้ทั้งสองข้างหากนั่งยังไม่เรียบร้อยดีก็ให้กําหนดขยับนอขยับนอจนกระทั่งนั่งเรียบร้อยแล้วจึงกําหนดว่านางนอนาง นาประมาณสองสาครั้งเมื่อกาหนดนั่งแล้วให้มีสติจดจ่ออยู่ที่ท้องทันทีเมื่อท้องเริ่มพองให้กาหนดว่าพองไปจนกระทั่งสุดพองจึงกำหนดคําว่านาให้พร้อมกับท้องสุดพองเมื่อท้องเริ่มยุบให้กำหนดคําว่า ยุบไปจนกระทั่งสุดยุบให้กำหนดคำว่านอให้พร้อมกับท้องสุดยุบกำหนดพองนอยุบนอเช่นนี้เรื่อยไป จนกระทั่งหมดเวลาที่ตั้งใจไว้เช่นสามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงหนึ่งจุดสี่การนอนสมาธิเมื่อนั่งเสร็จแล้วจะนอนให้กำหนดการนอนดังนี้ในขั้นแรกเอาสติไว้ที่ขาให้กำหนดที่ขาที่เหยียดออกไปทั้งสองข้างโดยเหยียดทีละข้างเมื่อเหยียดขาออกให้กำหนดว่าเหยียดเมื่อหยุดพึงกาหนดว่า นอให้พร้อมกับหยุดกําหนดเหยียดนอเหยียดนอเรื่อยไปจนกระทั่งเหยียดออกไปหมดทั้งสองข้างแล้วเอาสติมาอยู่ที่แขนเอาแขนออกไปวางที่พื้นกําหนดออกออกนอ ออน อ, นอเมื่อแขนถูกพื้นกำหนดทูกนอกเมื่อพลิกตัวตะแคงกำหนดพลิกน อ, ก, นอ ก, การเอ็นตัวลงนอนให้กำหนดเป็นระยะระยะขณะที่เอ็นลงให้กำหนดว่าลง ขณะหยุดกำหนดว่านอให้พร้อมกับที่หยุดกำหนดลนอเป็นระยะระยะจนกระทั่งถึงพื้นหรือหมอนจึงกำหนดทุกนอแล้วกำหนดปลิกนอ คือพลิกนอนหงายเมื่อนอนหงายแล้วจะเคลื่อนมือหรือเท้าอย่างไรให้กำหนด ต, ตามไปด้วยเมื่อนอนเรียบร้อยแล้วจึงกำหนดนอนนอ น, นอนนอนแล้วพึงกำหนดที่ท้องพองนอนยื นาต่อไปหรือจนกว่าจะหลับเมื่อตื่นก่อนลืมตาพึงกำหนดว่าตื่นนาตื่นนาแล้วกำหนดรู้ที่ท้องว่าพองหนอยู นสองสามครั้งจากนั้นกำหนดที่ตาว่าลืมนอและเห็นนอแล้วจึงกำหนดลุกขึ้นนั่งการกำหนดอิเรียบททางกายนี้ให้พยายามใช้สติให้ติดต่อกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากนี้อิริยาบถ ท, ที่สำคัญที่จะต้องกำหนดด้วยก็คือเวลารับประทานอาหารอาบน้ำทายอุจจาระปัสสาวะในชั้นต้นนี้ให้กำหนดแต่เพียงหยับๆยาบก่อนโดยพยายามให้จิตรู้อยู่ในอิริยาบถการเคลื่อนไหวของมือและเทา้าพยายามเคลื่อนไหวอย่างช้าๆเพื่อจะได้กำหนดทันเช่นเมื่อรับประทานก็ให้จิตรู้อยู่ที่มือเคลื่อนไหวไปมา เวลาเคี้ยวก็ให้รู้อยู่ที่การเคี้ยวให้สติกำหนดอยู่ที่ขากรรไกรเวลากรืนก็ให้รู้อยู่ที่ลำคอพยายามระวังอย่าให้จิตแลบออกไปหาอารมณ์อื่นการอาบน้ำการขับถ่ายก็เช่นกันพยายามให้รู้อยู่ในอิริยาบถ ท, ที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอถ้าลืมกำหนดเป็นต้นว่าเมื่อตื่นลืมกำหนดว่าตื่นนาลุก นโดยลุกขึ้นเสียก่อนแล้วเช่นนี้ให้นอนลงไปอีกแล้วกำหนดตื่นนอลุกนอการกระทำเช่นนี้เพื่อให้เป็นความเคยชินเป็นการฝึกสติให้อยู่กับตัวไม่เผลอไม่หลงลืมโดยง่าย 2. การกำหนดเวทนา เวทนาในที่นี้เป็นอาการชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายทำให้เกิดความรู้สึกพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเฉยๆบ้างสำหรับในขั้นแรกนี้อาการที่ปรากฏเด่นให้เกิดความรู้สึกได้ง่ายคืออาการที่ไม่พอใจที่เรียกว่าทุกขเวทนาเช่นเจ็บปวดเมื่อยคันแน่นจุกเสียดอึดอัดดังนี้เป็นต้นขณะที่กาหนดรู้อยู่ในการเดิน ก็ตามหรือขณะนั่งกําหนดพองหนอยุบหนออยู่ก็ตามเมื่อมีอาการของเวทนาดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นให้ทิ้งการกําหนดเดิมเสียก่อนมากําหนดรู้อยู่ที่อาการของเวทนาที่เกิดเช่นเจ็บก็กําหนดว่าเจ็บเนาปวดก็กําหนดว่าปวดเนาเมื่อยก็กําหนดว่าเมื่อย นาคันนแน่นนไปตามลักษณะอาการที่เกิดขึ้นนั้นๆเรื่อยไปจนกว่าจะหายหรือจางไปและจึงกลับไปกำหนดอย่างเดิมเช่นเดินหรือพองยุบทันทีโดยให้สติติดต่อกันแต่ถ้าอาการของเวทนายังเด่นอยู่ก็ให้กำหนดรู้อยู่ที่เวทนาต่อไป หากทนไม่ไหวเช่นคันจนทนไม่ไหวจริงๆก็ให้ใช้มือเกาได้แต่กำหนดอยู่ที่การเคลื่อนไหวของมือเป็นระยะไปเช่นเดียวกับการกำหนดที่กายเมื่อหายคันแล้วจึงกลับไปกำหนดที่เดินหรือพองยุบตามเดิมหรือถ้าเมื่อยเกินไปกำหนดเท่าไรก็ไม่หายก็ให้กลับหรือขยับเ ข, ขยื้อนตัวได้โดยกำหนดการเคลื่อนไหวเป็นระยะไป การกำหนดที่เวทนานั้นพยายามกำหนดรู้แต่เพียงอาการของมันแต่เพียงอย่างเดียวอย่าให้จิต ด, ดิ้นรนไปตามอาการของมันด้วยกล่าวคือกำหนดรู้ด้วยอาการวางเฉยหากจิต ด, ดิ้นรนไปเช่นคิดไปว่าเมื่อไรจึงจะหายหรือช้าจริงหรือเจ็บมากจริงเช่นนี้อาการของเวทนาไม่หายไปโดยง่ายต้องวางอารมณ์เฉยๆกาหนดรู้ไปตามอารมณ์ของมันเท่านั้น 3. การกาหนดจิตในขณะกาหนดรู้อยู่ในการเดินหรือการนั่งอยู่นั้นบางครั้งจิตจะไม่รู้อยู่ที่การกําหนดโดยจะแลบออกไปจากอารมณ์กรรมฐานไปคิดเรื่องต่างๆเมื่อเป็นเช่นนี้ให้กําหนดคิดหนอคิดหนอจนกว่าจะหายแล้วกลับมากาหนดที่การเดินหรือการนั่งต่อไป การที่จิตแลกออกไปคิดเรื่องราวต่างๆนั้นเมื่อรู้ทันขณะใ ด, ดให้กำหนดคิดนอคิดหนอทันทีบางครั้งขณะนั่งกำหนดพองนอยุบหนออยู่นั้นจิตอาจเกิดความพอใจหรือยินดีต่างๆขึ้นโดยไม่ได้กำหนดรู้อยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้น ในวงเล็บคือไม่ได้กำหนดอยู่กับพองหนอหรือยุบหนอเช่นนี้ก็ให้กำหนดยินดีหนอทันทีที่รู้สการกำหนดธรรมเมื่อเกิดความรู้สึกต่างๆอันเป็นนิวรณธรรมเช่นการยินดีหรือความพอใจในอารมณ์ภายนอกวงเล็บการมาชันทะหรือความโกรธวงเล็บพยาบาท ความฟุ้งซ่านลำคาญใจวงเล็บอุดทัดจะกุบ ก, กุด จ, จะหรือการม่วงเหงาหานอนวงเล็บฉีน่ามิถะหรือมีความคิดลังเลสงสัยในการปฏิบัติวงเล็บวิจิกิจฉาเป็นไปต่างๆเช่นนี้ก็ให้กําหนดรู้อาการของจิตดังกล่าวนั้นด้วยทันทีที่รู้เช่นเมื่อมีการมฉันทะเกิดขึ้นก็ให้กําหนดว่าชอบหนอเมื่อมีความโกรธหรือพยาบาทเกิดขึ้นก็ให้กําหนดว่า โกรดเนาเมื่อง่วงเหงาเหานอนก็กําหนดว่า ง, วง่วงเนาเมื่อมีความคิดฟุ้งซ่า น, ร, า ร, นรําคาญใจก็กําหนดฟุ้งซ่านเนอและเมื่อมีความสงสัยเกิดขึ้นก็กําหนดสงสยัยเนอเมื่อกําหนดอาการที่เป็นนิวรณธรรมที่เกิดขึ้นจนหายแล้วให้กลับมากําหนดที่การเดินหรือพองยุบต่อไปตามเดิม โดยประคองสติไว้ให้ติดต่อกันเป็นอันดีข้อสำคัญที่สุดที่ผู้ปฏิบัติพึงทำความเข้าใจคือการกำหนดให้เป็นปัจจุบันเพราะการกำหนดรู้อยู่ที่ปัจจุบันนั้นเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งสามารถส่งผลให้การปฏิบัติธรรมได้สำเร็จรุ่งรงไปโดยเร็วจนสามารถได้ดวงตาเห็นธรรมได้ร่วงรู้ความเป็นไปของสังขารร่างกายหรือรูปกับนาม ที่คนเรายังหลงยึดครองว่าเป็นของเราอยู่ว่ามีสภาพที่แท้จริงเป็นอย่างไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้เมตคาคูมานพดังปรากฏในโสรัสปัญหามีใจความว่าท่านรู้อย่างใดอย่างหนึ่งในส่วนที่เป็นอนาคตในส่วนที่เป็นอดีตในส่วนท่ามกลางที่เป็นปัจจุบันจงบรรเทาความเพลิดเพลิน ความยึดมั่นในส่วนเหล่านั้นเสียผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้มีสติไม่ล้นเลิอจะละทุกข์คือชาติชาราและความโศกความพิไรรำพันในโลกนี้เสียได้ความไม่เพลิดเพลินนี้ก็คือรู้ให้เป็นปัจจุบันนั่นเองหรืออีกตอนหนึ่งที่ทรงแสดงแก่พาหิยะมีใจความว่าจงเห็นสักแต่ว่าเห็น จงได้ยินสักแต่ว่าได้ยินจงรู้สักแต่ว่ารู้แล้วท่านจะไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรท่านก็จะพ้นจากโลกนี้การที่รู้สักแต่ว่ารู้ในสิ่งต่างๆที่ได้เห็นได้ยินนั้นก็คือรู้ให้เป็นปัจจุบันตัวอย่างเช่นเมื่อเดินไปตามถนนพบคนที่ไม่รู้จักท่านก็จะเห็นเพียงสักแต่ว่าเห็นอย่างแท้จริง โดยไม่มีอดีตอนาคตเข้ามาปะปนแม้ปัจจุบันที่ท่านได้เห็นก็ไม่ได้ยึดถือเพียงรู้ว่าเห็นชั่วขณะที่เห็นแล้วปล่อยไปโดยไม่ได้เพลิดเพลินไปกับการเห็นนั้นส่วนการเห็นที่ไม่เป็นปัจจุบันคือมีอดีตอนาคตเข้ามาปะปนเช่นเห็นคนที่รู้จักเห็นคนที่เคยรักเห็นคนที่เคยเกลียดการเห็นนั้นก็ไม่เป็นปัจจุบันธรรม จิตใจย่อมดิ้นรนไปตามลักษณะของอดีตและอนาคตซึ่งสุดแต่ท่านจะคาดคิดขึ้นขณะได้ยินก็เช่นกันหากท่านได้ยินเสียงใครเรียกชื่อที่ไม่ใช่ชื่อของท่านท่านก็ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเข้ามารบกวนจิตใจคงได้ยินแต่เพียงสักแต่ว่าได้ยินอย่างแท้จริงจิตใจของท่านก็ย่อมวางเฉยต่อเสียงที่ได้ยินดังนั้น จะเห็นได้ว่าการกาหนดให้เป็นปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งการเป็นปัจจุบันนี้จะต้องเป็นโดยทันทีไม่มีการเหลื่อมล้าเช่นในการเดินเมื่อเท้าขวายกก็ให้รู้พร้อมทันทีเมื่อเท้าย่างก็รู้ตามไปพร้อมเมื่อเท้าลงไปเหยียบก็รู้ทันทีเช่นกันพยายามรู้ให้พร้อมกับเท้าที่ยกที่ย่างที่เหยียบ อันเป็นปัจจุบันเรื่อยไปอย่าได้ขาดในการกำหนดพองยุบที่ท้องก็เช่นกันพยายามกำหนดให้เป็นปัจจุบันทุกขณะเวลาท้องเริ่มพองก็ให้รู้พร้อมเวลาพองออกไปก็รู้ตามไปจนกระทั่งสุดพองก็ให้รู้ตรงสุดพยายามประคองสติให้เป็นปัจจุบันขณะท้องพองท้องยุบอยู่เสมอจะให้ขาด วิธีสอบอารมณ์เมื่อผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเป็นอันดีแล้วผู้สอบอารมณ์พึงถามความรู้สึกของผู้ปฏิบัติถ้าเป็นผู้ปฏิบัติใหม่เมื่อปฏิบัติไปได้วันหรือสองวันผู้สอบอารมณ์จะต้องไต่ถามให้ทราบความเข้าใจของผู้ปฏิบัติว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกรรมฐานที่รับไปปฏิบัติแล้วนั้นหรือไม่เมื่อผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจดีแล้ว จึงทำการสอบอารมณ์ซึ่งจะต้องดำเนินไปตามลาดับยานดังต่อไปนี้ยานที่หนึ่งนามรู ป, ปะปริชเฉ ท, ทยานเป็นยานที่ผู้ปฏิบัติเกิดปัญญารู้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามที่เรียกว่ารูปนามนั้นแท้จริงเป็นอย่างไรผู้ปฏิบัติจะรู้แยกรูปแยกนามออกจากกันอย่างชัดเจนไม่ปะปนกันในยานต้นๆ น, นี้ ผู้ปฏิบัติยังไม่รู้จักรูทางดีผู้สอบอารมณ์ต้องซักถามให้ผู้ปฏิบัติเคยชินเพราะผู้ปฏิบัติยังไม่สามารถเล่าอาการที่เป็นมาได้ถนัดจึงจำเป็นต้องสอบกันมากหลักการในยานที่หนึ่งสรุปได้ดังนี้หนึ่งรู้แยกรูปเช่นขวาย่างกับซ้ายย่างเป็นคนละอันซ้ายย่างอันก่อนกับซ้ายย่างอันหลัง เป็นคนละอันพองกับยุบเป็นคนละอันพองแรกกับพองหลังและยุบแรกกับยุบหลังเป็นคนละอัน 2. รู้แยกนามรู้ซ้ายย่างกับรู้ขวาย่างเป็นคนละอันรู้พองกับรู้ยุคเป็นคนละอันรู้พองแรกกับรู้พองหลังเป็นคนละอัน สรู้แยกรูปแยกนามรู้กับซ้ายย่างขวาย่างเป็นคนละอันรู้กับพองรู้กับยุบเป็นคนละอัน 4. ทางอายตนะรูปกับรู้ว่าเห็นเสียงกับได้ยินกลิ่นกับได้กลิ่นรสกับรู้รสสัมผัสกับรู้ถูกเป็นคนละอัน 5. เบ ต, ตเร์เ เวทนาที่เกิดขึ้นกำหนดไม่หายเดี๋ยวอย่างโน้นเกิดอย่างนี้เกิดจิตแลบออกไปนานกำหนดไม่ทันหรือไม่ได้กำหนดยานที่สองปัจจะยะปะริฆญาณเป็นยานที่ผู้ปฏิบัติเกิดปัญญารู้แจ้งในสภาวะของรูปกับนามที่กำหนดอยู่นั้นว่าทั้งรูปทั้งนามเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันอยู่ทุกขณะ ในยานนี้ผู้สอบอารมณ์จำเป็นต้องซักถามผู้ปฏิบัติให้มากเช่นกันเพราะผู้ปฏิบัติยังไม่ค่อยชำนาญในการแจ้งอารมณ์หลักการในยานที่สองสรุปได้ดังนี้<ม>หนึ่งพองขึ้นก่อนรู้ตามการกำหนดที่เท้าในขณะเดินและกำหนดอายันะต่างๆคงเป็นเช่นเดียวกันสอง รู้จิตที่สั่งหรือต้นจิตชัดเจน 3. เวทนากำหนดไม่ทันหายอันอื่นเกิดหรือกำหนดเวทนาแล้วกลับไปกำหนดพองยุคเวทนาจะหายไปโดยไม่รู้ตัว 4. นิมิตก็มีลักษณะเดียวกับเวทนา 5. จิต ท, ที่แลบออกไปรับอารมณ์อื่นกำหนดได้ทันและเร็วขึ้น กำหนดครั้งสองครั้งก็กลับมาอยู่ในกรรมฐานเมื่อเห็นว่าผู้ปฏิบัติมีความรู้แจ้งในยา น, นี้แล้วให้เดินระยะที่สองคือยกหนอเหยียบหนอการเพิ่มจังหวะกำหนดพองยุบนั่งผู้สอบอารมณ์ควรถามผู้ปฏิบัติก่อนเมื่อทราบว่าพองยุบทีห่างประการใดถ้าห่างพอจะเพิ่มได้ก็ควรจะเพิ่มนั่งหนอแต่ปกติพองยุบของผู้ปฏิบัติ มักจะไม่ห่างกันคือมักจะโรยท้องลงมาเวลายุบให้ได้จังหวะกันกับคำหนออย่างไรก็ตามพองยุบของปกติคนธรรมดาเช่นเวลานอนหลับสนิทพองมักจะยาวยุบมักจะหวบเดียวหมดคือสั้นดังนั้นย่อมมีจังหวะที่จะแทรกนั่งหนอได้เสมอ นอกจากจะถีจริงๆในขั้นต้นควรลองให้นั่งหนอดูก่อนถ้าแทรกไม่ได้จริงๆจึงสั่งถอนแต่ถ้าบอกไปด้วยว่าให้ดูพองยุคของตนถ้าใส่นั่งหนอได้ก็ให้ใส่ถ้าใส่ไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่พยายามอธิบายอย่างนี้โดยมากจะใส่ไม่ได้เพราะความไม่ชำนาญเป็นเหตุให้เกิดพันละวันกันผู้ปฏิบัติก็จะบอกว่าใส่ไม่ได้ ดังนั้นชั้นแรกควรบอกผู้ปฏิบัติใส่ก่อนแล้วจึงพิจารณาชั้นหลังก็ควรยานที่สามสัมมสาาัญาาผู้ปฏิบัติที่ผ่านมาถึงยานที่สามนี้จะเกิดปัญญารู้แจ้งในลักษณะของรูปนามที่กําหนดอยู่โดยอาการสามนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเหตุให้ได้ทราบความจริงของรูปนามทั้งหลายว่า มีแต่อาการทั้งสามอย่างนี้เท่านั้นอันเรียกได้ว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าผู้ที่เกิดมามีอายุร้อยปีแต่ไม่มีปัญญารู้แจ้งในลักษณะทั้งสามอย่างนี้หลักการของยานที่สามมีดังนี้หนึ่งเวทนาในยานนี้ผู้ปฏิบัติจะพบเวทนามากมายหลายอย่างหลายประการผู้สอบอารมณ์จะต้องสอบถามและให้ผู้ปฏิบัติเล่าให้ละเอียด เพื่อเป็นแนวทางวินิจฉัยลักษณะของเวทนาโดยมากมักมีอาการปวดตามร่างกายเมื่อหลังเมื่อขาคันชาเสียดยอกแน่นการกําหนดเวทนาในยานนี้ผู้ปฏิบัติจะกําหนดให้หายไปได้โดยต้องกําหนดตั้งแต่3ถึง5ครั้งจึงจะหายลักษณะของเวทนาที่จะหายจะค่อยๆหายไปทีละครั้งที่กาหนดจนกระทั่งหายขาด และเวทนาอื่นจึงจะเกิดขึ้นถ้ากําหนดไปหลายครั้งยังไม่หายขาดเวทนาอื่นเกิดขึ้นซ้อนมาอีกแสดงว่ายังอยู่ในยานที่สองสองนิมิตนิมิตก็เช่นเดียวกับเวทนาจะเกิดในยานนี้มากเพราะจิตของผู้ปฏิบัติเป็นจิตวิสุทธิสมาธิตั้งอยู่ได้นานแต่สติในการกําหนดยังอ่อน จิตของผู้ปฏิบัติยังมีโลภะอยู่เมื่อเห็นนิมิตจิตก็ยินดีชอบดูจึงกำหนดไม่ค่อยหายและต้องกำหนดหลายครั้งสามถึงห้าครั้งจึงจะหายพออันนี้หายอันอื่นๆก็เกิดอีกทั้งสองลักษณะนี้แสดงว่าผู้ปฏิบัติยังมีสติอ่อนอยู่กำหนดเวทนาหรือนิมิตยังไม่ได้เป็นปัจจุบันผู้สอบอารมณ์จะต้องเตือนให้ใช้สติให้มาก กำหนดให้ทันท่วงทีโดยไม่ต้องพิจารณาหรือวิจาร์ให้เป็นอดีตและอนาคตกล่าวคือเมื่อเวทนาเกิดขึ้นก็กำหนดทันทีโดยไม่ต้องคิดไปต่างๆนานาเพราะการวิจาร์ไปเช่นนั้นจะเป็นเหตุให้สมาธิตกดังนั้นให้กำหนดหยุดทันทีที่รู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นนิมิตก็เช่นกันให้กำหนดทันทีเมื่อมันเกิดขึ้นโดยไม่ต้องไปวิจารว่าเป็นอะไร ข้อนีมิตรนี้เป็นเหตุให้การปฏิบัติล่าช้า 3. การเดินการเดินของผู้ปฏิบัติในยานนี้จะเดินเพลินเดินได้นานไม่ขี้เกียจเดินคล่องเท้าเบาในขณะกําหนดหนอจะมีอาการวูบวาบหรือเฉยคือหมดความรู้สึกเพราะจิตที่รับรู้กับอารมณ์ที่กําหนดดับลงหมดลงพร้อมกัน อาการเช่นนี้จะปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติที่มีสติและสมาธิถึงขนาดบางคนก็จะปรากฏอาการนี้แต่เพียงบางครั้งเฉพาะเวลาที่มีสมาธิดีจิตไม่เผลอไม่แลบออกไปหาอารมณ์อื่น 4. การกําหนดพองยุบผู้ปฏิบัติจะกําหนดพองยุบได้ชัดเจนเป็นสามระยะคือต้อนกลางสุดเมื่อกําหนดหนอจะรู้ว่ากําหนดกับจิตที่รับรู้หมดไป ดับไปพร้อมกันแสดงว่าผู้ปฏิบัติมีสติกับสมาธิถึงขนาดเมื่อผู้ปฏิบัติแจ้งในยา น, นี้แล้วให้เดินระยะที่สามคือยกเนอ ย, ย่างเนอเหยียบเนอแล้วให้เดินระยะที่หนึ่งและระยะที่สองอย่างน้อยระยะละสิบนาทีระยะที่สามอย่างน้อยยี่สิบนาที การกําหนดที่พองยุบนั้นต้องสอบถามผู้ปฏิบัติให้แน่ใจก่อนว่าเมื่อยุบแล้วกว่าจะพองเว้นระยะนานไหมการกําหนดนั่งหนอกําหนดได้สะดวกดีไหมพลวันกับพองไหมถ้าผู้ปฏิบัติตอบว่ากําหนดได้สะดวกดีและเมื่อกําหนดนั่งหนอแล้วยังรู้ว่าว่างอยู่อีกก็ให้เพิ่มถูกหนอ มั่นเตือนให้ผู้ปฏิบัติกำหนดทางอายตานะและต้นจิตอยู่เสมอๆในยานนี้ผู้ปฏิบัติจะเริ่มเกิดศรัทธามากขึ้นกว่าปกติเพราะเหตุว่าเห็นผลของการปฏิบัติชัดเจนขึ้นการกำหนดเวทนาต่างๆที่เคยท้อถอยอยู่ก็มีวิริยะเพิ่มมากขึ้นเพราะรู้ว่าเวทนาต่างๆที่เคยกลัวๆอยู่นั้นสามารถกำหนดให้หายไปได้โดยไม่กี่ครั้ง ตัวทิฏฐิและมานะในการปฏิบัติก็มากขึ้นเป็นการเร่งตัวเองให้เข้ายานที่สี่ตามลําดับยานที่4อุทธยับพยัยานในยานนี้มีอาการเป็นสองตอนคืออย่างอ่อนกับอย่างแก่อุทธยับพยัญานอย่างอ่อนนั้นคือผู้ปฏิบัติรู้แจ้งในรูปนามที่กําหนดอยู่ว่ามีอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทุกระยะโดยไม่ขาดสาย จนหมดความสงสัยในสภาพของรูปนามมีความเชื่ออย่างแน่วแน่แท้จริงในลักษณะของรูปนามที่กําหนดอยู่นั้นถ้าเข้าใจว่าตนได้เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วรู้ว่าตนนี้วิเศษอย่างยิ่งจนกระทั่งหลงเพลิดเพลินไปตามอำนาจของวิปัสสนุปักิเลสซึ่งหมายถึงอุปกิเลสแห่งวิปัสนาหรือธรรมารมที่เกิดแก่ผู้ได้วิปัสนายางอ่อ น, ออน ทำให้เข้าใจผิดว่าตนบรรลุมรรคผลแล้วเป็นเหตุขัดขวางไม่ให้ก้าวหน้าต่อไปในวิปัสนาญาณวิปัสณูปกิเลสคือสิ่งที่เป็นอันต ร, รายแก่ผู้ปฏิบัติวิปัสนาได้แก่วิปัสนูปกิเลส10บประการอันไม่มีผู้ปฏิบัติคนใดหลีกเลี่ยงได้เพราะกิเลสสิบประการจะต้องเข้ามารบกวนผู้ปฏิบัติมากบ้างน้อยบ้างที่จะกล่าวว่าไม่มีนั้นเห็นจะไม่ได้ เพียงแต่จะมีน้อยหรือมากกว่ากันเร็วหรือช้ากว่ากันเท่านั้นวิปัสสนุปกิเลส1ิบประการมีดังนี้หนึ่งโอภาษคือแสงสว่างโดยที่ใ น, นระยะนี้ผู้ปฏิบัติมีสมาธิดีมากขณะที่นั่งกำหนดอยู่เพราะสมาธิตั้งขึ้นมากเกินไปเป็นเหตุให้วิริยะอ่อนลงการกำหนดมักเผ ล, อ, เลอหลงด้วยอานาจของสมาธิ จนการนั่งไม่กำหนดเนื่องจากมีสมาธิกล้าจึงอาจปรากฏเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นแสงสว่างนี้มักจะเป็นแสงสีขาวสีนวลสีเหลืองสดใสยิ่งนักสว่างมากบ้างน้อยบ้างผู้ปฏิบัติไม่เคยเห็นเหตุหการณ์เช่นนี้จึงเห็นเป็นของประหลาดมหัศจรรย์บางคนคิดว่าคงเป็นดวงปัญญาเพราะเคยได้ยินว่าแสงสว่างคือปัญญา ผู้ปฏิบัติจะหลงติดอยู่ในแสงสว่างที่เห็นนั้นจนเป็นเหตุให้เกิดยานหรือรู้สรรพสิ่งต่างๆสองยานในองค์ธรรมว่าเป็นอโมหะแต่ผู้ปฏิบัติยังไม่เคยพบวิปัสสนูปกิเลชนิดนี้เนื่องจากอำนาจของสมาธิที่แรงกล้าหรือเนื่องจากแสงโอภาสที่ได้เห็นเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจว่าเป็นตัวปัญญา ที่ตนได้ถึงแล้วก็จะระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆสามารถแสดงเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ได้บางประการเช่นรักษาโรคให้หายได้อย่างวิเศษสามารถเข้าในองค์ฌานเห็นเหตุการณ์ได้อย่างแปลกประหลาดมหัศจรรย์ผู้ปฏิบัติก็จะหลงติดอยู่ในอำนาจวิเศษของตนสปีติเนื่องจากเข้าใจตนเองว่าเป็นผู้วิเศษเป็นผู้สาเร็จ เป็นผู้รู้ยิ่งในประการต่างๆปีติคือความอิ่มเอิดใจก็จะเกิดขึ้นการแสดงออกซึ่งปีตินั้นมีอยู่ห้าชนิดคือหนึ่งขุทกาปีติมีอาการเยือกเย็นจนขนลุกผู้ปฏิบัติมักจะมีอาการขนลุกจนสู้ซาขึ้นตามตัวและสีรษะ 2. อขณิกาปีติมีอาการคันเหมือนมดไตไรคารน ยุบยุบยุบ ย, บ ย, บยบตามหน้าตามตัวสอกกันติกาปิติมีอาการเหมือนโตคลื่นตัวโยกตัวโคลง 4. อุอเพงคาปิติมีอาการเหมือนตัวเบาตัวลอยสูงขึ้นบางครั้งมีอาการสปรัปะโตกโงกข้างหน้าโงกข้างหลัง 5. พรณาปิติมีอาการเย็นซาบซานวูบว่าไปทั่วกาย อาการของปิติทั้งห้าอย่างนี้มักจะเกิดแก่ผู้ปฏิบัติทุกคนบางคนก็ไม่ครบอาการตั้งห้าแต่ส่วนมากมักมีครบเมื่ออาการของปิติเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติละทิ้งกรรมฐานไม่ได้กำหนดอยู่ที่พองยุบ 4.4 ปัจสัทธิคือความสงบกายสงบใจผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่าจิตใจสงบอย่างยิ่ง ไม่แลบออกไปคิดเรื่องอื่นๆ อ, อ, อันเป็นผลเนื่องมาจากสมาธิที่ดีเกินขนาดผู้ปฏิบัติจะนั่งเฉยๆโดยไม่ต้องพยายามกำหนดให้จิตอยู่ในกรรมฐานมีความรู้สึกในขณะนั้นว่าจิตไม่มีอะไรมารบกวนให้วอกแวกออกไปเลยคงนิ่งสงบเฉยอย่างยิ่งอยู่จะมีอาการงอกงบเป็นครั้งคราว 4.5 สุขผู้ปฏิบัติจะมีความสุขอย่างยิ่ง เนื่องจากความสงบกายสงบใจที่ได้รับนั้นจิตใจจะผ่องใสเยือกเย็นอย่างไม่เคยได้รับมาก่อนรู้สึกปราบรืมช่ำชื่นใจเข้าใจเอาว่าตนได้เข้าถึงธรรมวิเศษของพระพุทธองค์แล้วจึงมีอาการสบายใจอย่างประหลาดไม่เป็นอันได้กำหนดอยู่ในกรรมฐานต่อไปเพราะความอิ่มเอมใจ 6. อธิโมกคือศรัทธาอย่างแรงกล้า เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาผู้ปฏิบัติบางคนถึงกับซื้อของมาถวายอาจารย์และพระอื่นๆถ้ามีคนแมเรี่อรายเรื่องการก่อสร้างเกี่ยวกับศาสนาจะเต็มใจบริจาคโดยไม่มีความเสียดายบางคนก็ระลึกถึงบุญคุณอาจารย์และผู้ชักนำให้มาพบทำวิเศษอันนี้คิดถึงพ่อแม่พี่น้องอยากให้มาเข้าปฏิบัติได้พบเห็นธรรมของพระพุทธองค์ 4.7 ปักคาหะมีความเพียรอย่างแรงกล้า 4.8 อุปัฐานมีสติอย่างยิ่ง 4.9 อุเบคามีความวางเฉยอย่างยิ่ง 4.10 นิกันติคือตัณหาที่ผู้ปฏิบัติหลงชมอยู่ ในอาการของวิปัสสนูปกิเลตทั้ง10ประการข้างต้นที่เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัตินั้นที่สําคัญที่สุดคือ น, นิกันติเพราะฉะนั้นอาจารย์ผู้ควบคุมจะต้องระวังอย่างยิ่งอย่าให้ผู้ปฏิบัติหลงติดอยู่ทางที่ถูกควรจะปราบเสียให้อยู่ตั้งแต่วันแรกที่เกิดหรือนิมิตภาพอื่นๆก็ตามที่เกิดขึ้นให้หมดไปเสียทันทีอย่าให้หลงติดอยู่ โดยอธิบายให้เห็นว่าแสงโอภาสก็ตามหรือนิมิตภาพอื่นๆก็ตามที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเป็นสิ่งล่อให้ผู้ปฏิบัติต้องละทิ้งจากกรรมฐานที่กำลังกำหนดอยู่ไปดูไปชมสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อเห็นสิ่งใดเกิดขึ้นให้ใช้สติกำหนดรู้หรือเห็นหนอให้หายไปทันทีแล้วกลับมากำหนดอยู่ที่ผองยุบเพราะการมีสติกำหนดรู้อยู่เสมอทุกขณะนั้น เป็นทางสายเอกซึ่งพระพุทธองค์ประทานมาให้พวกเราประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นให้ผู้ปฏิบัติกำหนดรู้อยู่ที่พองยุคอย่าให้ขาดหายไปได้ถ้าสติที่กำหนดพองยุบอยู่นั้นอ่อนไปมักจะมีแสงหรือสิ่งอื่นๆมาล่อให้หลงไปถ้าเกิดขึ้นเช่นนั้นให้รู้ตัวทันทีและเตือนตนเองว่าสติอ่อนไปแล้วให้ใช้วิริยะในการกำหนดให้มากขึ้น ให้มีสติกำหนดรู้อยู่ที่พองยุกอยู่เสมอทุกขณะอย่าให้อ่อนไปจางไปเป็นอันขาดถ้าผู้ปฏิบัติหลงติดอยู่ในวิปัสสนูปกิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขได้ยากผู้ปฏิบัติจะเข้าใจตนเองว่าสำเร็จแล้วก็ได้แม้อาจารย์ผู้สอนจะอธิบายอย่างไรก็หาเชื่อฟังไม่เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติได้ประสบ ได้รู้ได้เห็นด้วยตนเองบางคนลาออกจากการปฏิบัติไปเลยเพราะความเข้าใจผิดส่วนอุทยพยาญาณอย่างแก่ผู้ปฏิบัติจะพ้นไปจากอำนาจของวิปัสสนูปกิเลสอารมณ์จะแจ่มใสประกอบด้วยวิปัสนาญาณที่บริสุทธิ์ผุดผ่องสามารถกำหนดรูปนามที่เกิดดับได้อย่างรวดเร็ว ผู้ปฏิบัติที่ได้บาเพ็ญเพียรวิปัสสนามาเมื่อเข้าถึงอุทยพยาญาณอย่างแก่นี้แล้วเป็นอันหวังได้ว่าจะผ่านยานทั้ง16ยานไปได้อย่างแน่นอนมีอินทรีย์ทั้งห้าเพียบพร้อมสม่ำเสมอสรุปอาการของผู้ที่ได้ยานนี้คือหนึ่งการเดินการกำหนดพองยุบจับได้ชัดเจนสอง การกำหนดที่เวทนาจะหายไปอย่างรวดเร็วเพียงกำหนดหนึ่งถึงสองครั้ง 3. การกำหนดนิมิตก็รวดเร็วจนกระทั่งไม่เกิดนิมิตอีกเลยสจิตไม่วอกแวกซัดสายมีสมาธิอยู่กับกรรมฐานเป็นอย่างดีหมีอาการงกหรืองุบไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้าง การให้กรรมฐานต่อเมื่อผู้ปฏิบัติอยู่ในยา น, นี้บริบูรณ์แล้วให้เดินระยะที่สี่คือยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเยียบหนอ โดยเดินระยะที่หนึ่งสองสามอย่างละสิบนาทีระยะที่สีให้เดินยี่สิบนาทีการนั่งไม่ควรให้น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงยานที่ห้าพังขยานในยานนี้ผู้ปฏิบัติจะพบแต่การดับของรูปนามที่กำหนดอยู่แต่อย่างเดียวเนื่องจากได้เข้าอยู่ในวิปัสสนาญาณที่บริสุทธิ์อันเป็นทางนำส่งไปสู่พระนิพพานอันแน่นอนแล้ว อินทรีย์ทั้ง5ของผู้ปฏิบัติกําลังเพียรพร้อมสม่ําเสมออยู่การกําหนดรูปนามจึงละเอียดและรวดเร็วจําชองว่องไวเจนกระทั่งเห็นแต่การดับของรูปนามแต่ทายเดียวการเดินกําหนดคล่องแคล่วและชัดเจนโดยเฉพาะตอนคําว่าหนอจะรู้สึกทั้งเท้าที่ก้าวกับจิตที่รู้ดับหายไปพร้อมกันทุกๆคําว่าหนอถ้าผู้ปฏิบัติมีสมาธิพอประมาณ จะเห็นอาการเช่นนี้ชัดตอนจังหวะที่สี่คือเหยียบหนอบางคนมีอาการเสียวที่เท้าหรือพล่าพล่าซาๆที่เท้าเวลาลงหนอเนื่องจากการขาดการหายไปบ่อยๆเช่นนี้เองจะทำให้ผู้ปฏิบัติมีอาการตัวโครงเครงขาสัน่นก้าวไม่ค่อยออกบางครั้งคล้ายกับมองเห็นพื้นสูงสูงต่ำต่เท้าบลิวเบา แว่งเดินตัวลอยลอยเบาๆตรงคำว่าหนอจะรู้สึกว่าสิ่งที่กําหนดอยู่กับจิตที่รู้ดับหายไปพร้อมกันทันทีทันใดการนั่งก็เช่นเดียวกับการเดินพองยุบที่กําหนดอยู่จะเห็นได้ชัดเจนคําว่าหนอท้องพองที่กําหนดอยู่กับจิตที่รู้จะดับหายไปพร้อมกันทันทีทันใดทุกๆคําว่าหนอ พองขึ้นครั้งหนึ่งหรือยุบลงครั้งหนึ่งจะเห็นการดับหายเป็นหลายตอนเป็นท่อนๆระยะๆะะมีอาการคล้ายสะอื่นหรือพองหรือกระท่อนกระแทน่นหรือมีอาการวูบวาบเป็นระยะๆะะลักษณะของพองยุบเบาๆจางๆกำหนดไม่ชัดเจนเหมือนก่อนๆแต่ก็ยังกำหนดได้ดีอยู่การกำหนดดูจืดๆืดชืดชดจางๆหายหายบางคนจะบอกว่ากำหนดไม่ได้ดี บางคนกำหนดการคู้การเหยียดรู้สึกว่ามันพรูรๆลูซาซาคือรู้ถึงการดับของจิตที่สั่งให้คู้ให้เหยียดหลายๆครั้งติดติดกันจิตใจของผู้ปฏิบัติจะมีอาการซบเซาเพราะการกําหนดที่ว่าไม่ค่อยดีนั่นเองมีอาการเบื่อเบื่อจืดจืดผู้ควบคุมจะต้องชี้แจงให้กําลังใจให้ผู้ปฏิบัติพยายามกําหนดต่อไป บอกผู้ปฏิบัติให้เพิ่มสติระมัดระวังการกำหนดให้ยิ่งขึ้นเพราะอยู่ในวิปัสสนาญาณที่แท้จริงแล้วการกำหนดย่อมจะเบาและละเอียดเป็นธรรมดาขอให้พยายามให้ยิ่งขึ้นญาณที่หกที่เจ็ดที่แปดพยาญยอาณอธีนวญาณนิพิทายานทั้งสามญาณนี้เป็นญาณเดียวกันแต่เป็นอย่างอ่อนอย่างกลางอย่างแก่ ผู้ปฏิบัติจะเห็นแต่ภัยและโทษที่บังเกิดแก่รูปนามที่กำหนดอยู่จนรู้สึกเกิดความเบื่อหน่ายในรูปนามที่กำลังกำหนดอยู่นั้นในยานทั้งสามนี้จะมีการบังเกิดแก่ผู้ปฏิบัติแตกต่างกันเป็นสามลักษณะคือหนึ่งผู้ปฏิบัติบางคนจะมีอาการท้องยุบถี่ขึ้นกำหนดนั่งหนอถูกหนอไม่ทันผู้ควบคุมจะต้องแนะนำว่า ถ้ามีอาการพองยุบถี่ขึ้นจนกําหนดนั่งหนอถูกหนอไม่ทันก็ให้ตัดนั่งหนอถูกหนอทิ้งเสียตามลําดับกําหนดอยู่เฉพาะพองหนอและยุบหนอและถ้าถี่ขึ้นอีกจนกําหนดพองหนอและยุบหนอไม่ทันก็ให้กําหนดเพียงรู้หนอคือรู้อาการที่ถี่ขึ้นนั้นหรือถ้าพองยุบหายไปก็ให้กําหนดนั่งหนอถูกหนอเรื่อยไปจนกว่าอาการพองยุบจะปรากฏขึ้น ให้กำหนดต่อไปได้อีกผู้ปฏิบัติที่มีอาการพองยุบถี่ขึ้นเช่นนี้จะรู้สึกหายใจแทบไม่ทันก็มักเกิดความกลัวและเบื่อที่จะกำหนดต่อไปบางคนบอกว่าขึ้นมาพองยุบอยู่ที่หน้าอกบางคนบอกว่าพองยุบลึกลงไปและน้อยเบาเต็มทีบางครั้งก็หายไปเลยบางคนบอกว่าเมื่อพองยุบถี่ขึ้น มีอาการแน่นผสมขึ้นมาด้วยอาการต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติมีความกลัวและเบื่อหน่ายที่จะกำหนดต่อไป 2. ผู้ปฏิบัติบางคนเมื่อถึงยา น, นี้จะมีแต่ทุกข์กับโทษนั่งกำหนดพองยุบอยู่จะมีแต่อาการทุกข์เช่นแน่นจุกเสียดปวดร้าวไปทั่วสันาลังกายปวดศีรษะปวดฟัน คือมีแต่อาการทุกข์ทั้งสิ้นพองยุบคงมีอาการเป็นปกติแต่บางขณะจะมีอาการเช่นแน่นขึ้นทุกทีผู้ปฏิบัติจะบังเกิดความกลัวและเลิกกำหนดพอั่งกำหนดใหม่ก็เกิดขึ้นอีกกำหนดแน่นหนอแน่นหนอเท่าไรก็ไม่หายแน่นขึ้นแน่นขึ้นก็เลิกเสียและเบื่อที่จะกำหนดต่อไปอีกบางคนไม่ว่าจะกำหนดอะไรเป็นของไม่ดีทั้งนั้น มักมีเวทนาต่างๆเหมือนเข็มแทงหรือมดต่อยผู้ควบคุมจะต้องคอยให้สติบอกให้พยายามกำหนดรู้อาการที่เป็นนั้นอย่าทิ้งอย่าหนีเพราะเราต้องยอมตายให้สมกับที่ได้ปฏิญาณไว้ขณะเมื่อรับกรรมฐานหาเรื่องตัวอย่างให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติอย่าให้ท้อแท้ให้เร่งรัดการกำหนดให้ยิ่งขึ้นผู้ปฏิบัติบางคนกำหนดพองยุค จะกำหนดได้ถึงนั่งและลุกเป็นปกติแต่กําหนดไปกําหนดไปมีอาการเบาลงไปอ่อนลงไปแล้วในที่สุดก็หายไปไม่มีอะไรจะกําหนดก็ให้กําหนดรู้หนอคือรู้อาการที่หายนั้นเองในยานทั้งสามนี้ผู้ปฏิบัติจะบ่นว่ามีแต่อาการพองยุบถี่ขึ้นจนหายใจไม่ทันบ้าง มีแต่แน่นเสียดจนกําหนดไม่ได้ไม่ไหวบ้างมีแต่พองยุบเบาไปหายไปบ้างล้วนแต่งุ่นงานรำคาญใจในการกาหนดทั้งสิ้นบางคนเกิดร้องไห้ขึ้นมาก็มีเพราะมีแต่โทษทุกข์ภัยทั้งสิ้นบางคนไม่ยอมบอกว่าเบื่อหน่ายเต็มทีเพราะกลัวจะถูกดุแต่ก็สังเกตได้จากอาการที่เป็นจิตใจของผู้ปฏิบัติจะหดหู่ ไม่เบิกบานแห้งแ้งไม่อยากพูดคุยกับใครลักษณะการเดินในยานทั้งสามนี้จะรู้สึกวง่ว ง, ง, วงเดินเซตัวโครงตาลืมไม่ค่อยขึ้นเดินเดินไปง่วงอยากจะพักนอนก็นอนไม่หลับบางคนมีอาการปวดหลังปวดเอวปวดขาขาหนักก้าวขาไม่ออกอาการที่เกิดขึ้นในสามยานนี้มักจะเป็นอาการของจิตใจเสียโดยมาก ยันที่เก้ามูลกิตตุ ก, กรรมยตาญาณเมื่อผู้ปฏิบัติผ่านยันที่หกเจ็ดแปดได้เห็นภัยเห็นโทษตลอดจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายต่อรูปนามที่กำลังกำหนดอยู่นั้นแล้วก็จะเกิดความกลัวกลุ่มรำคาญอย่างยิ่งจึงอยากที่จะให้พ้นไปเสียจากรูปนามที่กำหนดอยู่นั้นยันที่เก้านี้เรียกกันตามภาษาสามัญว่า ยานม้วนเสือกล่าวคือผู้ปฏิบัติบางคนเกิดความ ก, กระตุ่มถึงกับหอบเสือหอบหมอนจะลาอาจารย์กลับบ้านบางคนอยากเลิกปฏิบัติอยากพักผ่อนเดินเที่ยวดูโน่นดูนี่แต่จิตก็มักจะกําหนดอยู่ร่างไปบางคนตอนนั่งกลางคืน ก, กระตุ่มขึ้นมาเลิกกําหนดจะนอนก็ไม่หลับผุดลุกผุดนั่งตั้งใจว่าเช้าจะกลับบ้าน พอถึงเวลาเช้าจริงๆอาการดังกล่าวก็หายไปบางคนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีความสุขเลยคันยุบยิบไปทั่วกายต้องตากมุง้งตากหมอนกระพือเสือเข้าใจว่าคงมีตัวเลือดตัวไรมากมายบางคนมีอาการร้อนรนกระวนกระวายต้องอาบน้ําบางคนแม้อากาศหนาวจัดก็ยังอาบน้ําได้สบาย แต่แม้จะมีอาการกระตุ้มมากมายเพียงไรก็อยากอุตส่ากกำหนดอยู่เสมออาการต่างๆเหล่านี้บางคนเป็นมากบางคนเป็นน้อยมีความรู้สึกอยากจะพ้นไปเลิกไปแต่อย่างเดียวหมายความว่าอยากจะไปอยู่ในที่ที่ไม่มีสังขารรูปนามผู้ควบคุมต้องชี้แจงสั่งสอนให้มีความมานะพยายามกำหนดไปกำหนดอาการเบือ่อ รำคาญวุ่นวายลุกลี้ลุกลนนั้นให้หายไปให้กำลังใจให้มากว่าปฏิบัติมาจนจะได้จนจะถึงแล้วจะละความพยายามเสียเป็นที่น่าเสียดายผู้ที่มีอาการของยานนี้อยู่นานหรือหลายวันมักเป็นผู้มีสติอ่อนแม้ผู้ควบคุมจะอธิบายชี้แจงให้เกิดสัทผาและวิริยะขึ้น แต่เพราะสติอ่อนมีอาการเกิดขึ้นไม่ค่อยได้กำหนดให้เป็นปัจจุบันอาการนี้ก็จะเป็นอยู่นานผู้ที่มีอินทรีย์เพียบพร้อมอยู่เสมอจะปรากฏอาการแต่เพียงเล็กน้อยแล้วจะผ่านขึ้นยานต่อไปยานที่สิบปฏิสังขารยานเป็นยานต่อจากยานที่9คือเมื่อผู้ปฏิบัติใกล้จะพ้นไปจากอาการที่เห็นเป็นภัยเป็นโทษ อันบังเกิดแก่รูปนามที่กำหนดอยู่จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายและใกล้จะพ้นไปจากรูปนามที่กำหนดอยู่แล้วในยานนี้ผู้ปฏิบัติจะรวบรวมกำลังหาทางที่จะหนีจะพ้นไปให้ได้โดยหนีกลับมาพิจารณาลักษณะอาการของรูปนามอีกวาระหนึ่งในยานนี้ผู้ปฏิบัติจะพบลักษณะอาการของรูปนามชัดเจนมากพร้อมลักษณะของทุกโทษภัย ว่าจะบังเกิดรุนแรงขึ้นจิตใจของผู้ปฏิบัติยังยึดถือรูปนามที่กำหนดนั้นเป็นของตนเองอยู่ยังไม่ต่อสู้อย่างแท้จริงญาณของผู้ปฏิบัติจะปรากฏคล้ายกับขึ้นขึ้นลงลงจะพิจารณาลักษณะอาการของรูปนามในทางใดก็กำหนดไปยังไม่ถึงที่สุดจะมีอาการของเวทนาปรากฏบ่อยๆหนักๆ ก, กำหนดหายบ้างไม่หายบ้างมีอาการเบื่อหน่ายเป็นครั้งคราว ผู้ที่คิดมากวิจารณ์มากจะติดอยู่ในยานนี้นานอาการต่างๆที่ปรากฏในยานนี้มักพบอาการเดิมๆที่แล้วๆมาในอาการเหล่านี้นั้นจะปรากฏเด่นชัดตามลักษณะเป็นอย่างๆไปบางคนมีอาการหลายอย่างไม่แน่นอนไปทีเดียวสรุปอาการที่เป็นหลักพิจารณาในยานนี้มีดังนี้หนึ่ง การกำหนดยังต้องเพ่งและปักใจจึงจะกําหนดได้ดีเช่นเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นต้องกําหนดอย่างปักใจหนึ่งถึงสองครั้งจึงจะหาย2เวทนาต่างๆหนักๆยังเกิดขึ้นบ่อยๆเวทนาบางอันเช่นแน่นกําหนดไม่หายยังคงตั้งขึ้นติดๆดกันขึ้นไปเป็นสาย 3. จะบังเกิดความรําคาญในการกําหนดอยู่บ่อยๆสี่ อารมณ์อย่างอื่นที่เกิดขึ้นกําหนดได้ว่องไวดีการให้กรรมฐานต่อให้เดินระยะที่ห้าคือยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอเตือนให้กําหนดอายตนะกับต้นจิตให้ทีทีพยายามกําหนดให้ได้มากๆบ่อยๆ ย, ยานที่สิบเอ็ดสังขารุปเปกขายาน เมื่อผู้ปฏิบัติสแสวงหาทางพน้นด้วยการพิจารณารูปนามอย่างหนักในยานที่สิบก็ยังไม่มีอาการอย่างใดที่จะพ้นไปจากรูปนามอันมีแต่ทุกข์โทษภัยต่างๆที่เป็นอยู่อย่างนั้นได้ก็หมดปัญญาหาทางที่จะหลีกหนีให้พ้นไปผู้ปฏิบัติก็เริ่มมีอาการวางเฉยในรูปนามที่กาหนดอยู่ ในยานนี้ผู้ปฏิบัติจะตั้งสติพิจารณารูปนามไปด้วยอาการปกติไม่มีความกระวนกระวายอย่างคราวที่แล้ ว, ลวมาผู้ปฏิบัติที่มีอินทรีย์แก่กล้าจะผ่านเข้ามัคคยานไปได้โดยง่ายผู้ปฏิบัติจะพูดว่ากำหนดอะไรเป็นปกติดีทุกอย่างกำหนดได้ง่ายๆคล่องคลบางคนกำหนดเวทนาที่เกิดขึ้นอย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะกำหนดอะไรดูมันง่ายไปหมดกำหนดไปกำหนดไปก็จะมีอาการงอกหรือสะบัดมือสะบัดเท้ากระตุกที่แขนที่ไหล่ลองสอบถามดูว่าขณะที่งอกไปหรือสะบัดไปนั้นเป็นในขณะไหนคือตรงพองหรือตรงยุคโดยมากผู้ปฏิบัติจะตอบไม่ได้เพราะอินทรียังไม่แก่กล้าเพียงพอสติยังอ่อนอยู่ ผู้ปฏิบัติที่มีพองยุบถี่เร็วกำหนดไปกำหนดไปหายไปเฉยเฉยรู้สึกตัวก็เริ่มกำหนดไปใหม่มีอาการงวกบ้างเป็นครั้งคราวผู้ที่มีอาการแน่นจุกเสียดอย่างแรงกล้าคงมีอาการอย่างเดิมกำหนดที่แน่นที่เสียดจนทนไม่ไหวก็ผ่อนการกำหนดลงบางคนพองยุบห่างไปเบาไปจางไป แล้วก็หายไปรู้สึกตัวก็เริ่มกำหนดไปใหม่มีอาการโงกงุกเป็นครั้งคราวจิตใจของผู้ปฏิบัติจะมีอาการเฉยเมยกำหนดได้มากไม่ขี้เกียจไม่ขยันกำหนดอยู่เรื่อยๆไม่กระตือรือร้อนนั่งกำหนดอยู่ได้นานๆมักมีอาการขี้หลงขี้ลืมองคุณของสังขารุปเปก ข, ขาญาณหกประการได้แก่ 1>, 1. กำหนดอารมณ์ต่างๆที่มากระทบได้ง่ายและว่องไว 2. ไม่มีเวทนาเช่นเมื่อยคันแต่ผู้ซึ่งพิจารณาที่เวทนาอาการแน่นมากยังปรากฏให้กำหนดอยู่ 3. นั่งได้นานๆไม่รู้สึกเมื่อยหรือขี้เกียจสี 4. จิตอยู่ในอารมณ์เดียวพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ ไม่วอกแวกซักสายห้าอารมณ์เฉยเฉยไม่ยินดียินร้ายหกอารมณ์กับจิตที่กำหนดละเอียดมากผู้ปฏิบัติที่มีองคุณในยานี้อย่างพร้อมเพรียงเด่นชัดแล้วยังรอให้อินทรีห้าแก่รอเมื่อใดจนเข้าขีดพละห้าก็จะผ่านมัรคยานในขณะนั้นการให้กรรมฐานต่อ ให้เดินระยะที่หกคือยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอเตือนให้กำหนดทางอายตนะและต้นจิตให้มากๆยานที่สิบสองสัจจานุโลมิกยานหรืออนุโลมยาน เป็นยานที่ปัญญาพิจารณาเห็นอริยสัจ ส, สีได้ชัดเจนแจ่มแจ้งยานที่สิบสามโคตรระภูยานเป็นยานที่ปัญญาทิ้งรูปนามยึดนิพพานเป็นอารมณ์ยานที่สิบสี่มัคคยานเป็นยานที่ปัญญาละกิเลสได้เป็นสมุเทเฉทาปหารมีนิพพานเป็นอารมณ์ยานที่สิบห้าภารยาน ยานที่เป็นผลของมรมีนิพพานเป็นอารมณ์ยานที่สิบหกปัจจเวคณาญาณยานที่ปัญญาย้อนกลับไปพิจารณากิเลสที่ละได้ละไม่ได้มรผลนิพพานในยานสิบหกนี้ยานที่หนึ่งถึงสิบสามและยานที่สิบหกเป็นโลกียญาณส่วนยานที่สิบสี่และสิบห้าเป็นโลกุตรยาน การได้ดวงตาเห็นธรรมการมีดวงตาเห็นธรรมนั้นท่านกล่าวว่าเป็นพระโสดาบันผู้ปฏิบัติส่วนมากไม่ทราบว่าการมีดวงตาเห็นธรรมนั้นเป็นอย่างไรทำอะไรที่ตนเห็นผู้ปฏิบัติที่ไม่เคยเรียนปริยัติหรือไม่ได้เป็นพระหูสูตรขณะฟังเทศลำดับญาณอยู่นั้นย่อมจะส่งจิตของตนฟัง และใคร่ครวนอาการต่างๆที่เทศอยู่ในยานต่างๆตามลงดับขึ้นไปด้วยความปิติเมื่อรู้ว่าอาการของตนที่เป็นอยู่ถูกต้องตรงกับที่ได้ฟังขณะมีอาการขั้นสุดท้ายคือมัรคยานผลยานที่เทศอยู่นั้นมีลักษณะอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตรงกันกับที่ตนได้ปฏิบัติมาแล้วความปิติก็ทวียิ่งขึ้นจนแทบจะไม่ได้ฟังต่อไปในตอนที่กล่าวถึงว่า มักคยานผลยานนั้นเป็นเหตุให้รู้แจ้งซึ่งอริยสัจสีได้อย่างไรในขณะเดียวกันนั้นความปิติยินดีที่เกิดมีอยู่ไม่ขาดนั้นกลับไปใครควรอยู่แต่อาการอันถูกต้องตรงกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าทอดทิ้งตอนสำคัญอันกล่าวถึงการแจ้งอริยสัจธรรมและแล้วก็ข้ามไปตรวจดูตนเองถึงคุณสมบัติต่างๆอันเป็นผลของการปฏิบัติ หรือบางคนแม้จะได้ฟังเทศลำดับญาณตรวจอาการของตนที่เคยเป็นอยู่ในขณะปฏิบัติถูกต้องตรงกันแล้วก็ตามแต่ก็ยังอดสงสัยอยู่ไม่ได้ว่าตนได้อะไรได้พบธรรมอะไรได้สำเร็จผลการปฏิบัติมาแล้วอย่างไรแม้ว่าจะมีคุณสมบัติถูกต้องตรงกับหลักการที่ได้กำหนดไว้ก็ยังไม่ไว้สงสัยเข้าใจไปว่าตนยังไม่ถึงธรรม ยิ่งมีนักปฏิบัติมาถา ม, ถามถึงผลที่ได้จากการปฏิบัติตนตอบไม่ได้หรือตอบไม่ถูกตามตำราทางปริยัติที่วางไว้ก็ยิ่งทำให้สงสัยพวักพวลนบางคนถึงกับจะเข้าปฏิบัติใหม่ก็มีการเป็นเช่นนี้จะว่าการปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ไม่เชิงเพราะผลที่ได้รับกล่าวคือคุณสมบัติเช่นการมั่นอยู่ในศีลไม่ตรณี ไม่อิจฉาริษยาของตนก็มีอยู่จะว่ามีความสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าตนได้ถึงธรรมอะไรหรือไม่แน่ใจว่าตนได้ถึงธรรมนั้นเพราะขณะปฏิบัติอยู่นั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องชี้บอกว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นสมุทยัยนี้เป็นนิโรธนี้เป็นมะ แม้ในเทศลำดับญาณจะได้พนันนาถึงลักษณะของอริยสัจทั้งสีที่เกิดขึ้นก็ดูเหมือนจะไม่ได้ชี้ให้ชัดว่านี่แหละคือธรรมที่ผู้ปฏิบัติได้เข้าถึงแล้วผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมนั้นก็คือการเห็นแล้วซึ่งอริยรสรรัจสีนี้ด้วยประการอย่างนี้วิธีสมาทานกรรมฐานเมื่อจะปฏิบัติกรรมฐาน ผู้ปฏิบัติต้องสมาทานกรรมฐานโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ตามลำดับคือ 1. ถวายสักการะต่อพระอาจารย์ผู้ให้กรรมฐาน 2. จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัย 3. หากเป็นพระให้แสดงอาบัติก่อนหากเป็นคเลือหัดรับศีลก่อน 4. มอบกายถวายชีวิตต่อพระรัตนตรัย ดังนี้อิมาหังพะควาอตตภพาวังตุมหากังปริจจชามิข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์5มอบกายถวายตัวต่อพระอาจารย์ดังนี้อิมาหังอาจรีย อัตตะภาวังตุมหากลงปริจจชานิข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอมอบกายถวายตัวต่อครูบาอาจารย์เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐาน6ขอพระกรรมฐานว่าดังนี้นิพพานสสะเมพันเตสัจิกรนัฏฐายะกรรมมัฏฐานังเทหิ ข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้กรรมฐานแก่ข้าพเจ้าเพื่อทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานต่อไปเจ็ดแผ่เมตตาว่าดังนี้อหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าถึงสุขปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความลำบากไม่มีความเดือดร้อนขอให้มีความสุขรักษาตนอยู่เถิด สัพเพสัตตาสุขิตาโหตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทุกตัวตนตลอดเทพบุตรเทพธิดาทุกพระองค์พระภิกษุสามเณรและผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านขอท่านจงมีความสุขปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความลำบากไม่มีความเดือดร้อนขอให้มีความสุข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 ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา 9. ตั้งสัจจะอธิษฐานและปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์เยเนวันตินิพพานังพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ดําเนินไปสู่พระนิพพานด้วยหนทางเส้นนี้ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปข้าพเจ้าจะตั้งอกตั้งใจประพฤติและปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลดำเนินรอยตามพระองค์ท่านอิมายะธรรมานุธรรมะปฏิปฏิยารัตนตตยังปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่มรรคผลนิพพานนี้ด้วยสั จ, จวาจาที่กล่าวอ้างมานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยเธินจากนั้นสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณดังนี้อิติปิโสพาาระคาวะอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจารนสัมปันโน สุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธรรมมสาริสัตถาเทวมนุษย์สานางพุทโธภะคะวะติสวะขาโตภะคะวะตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัต จัดตังเวทิตัภโพวินโยหิติส uh ุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆยะทิทางจัดตาริปุริสายุคนิอัตถปุริสปุขละเอสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักกิเนโยอันชฉลิ่ยก